นะโบตัสสะภะควโตอระหโตสมมาสมบุททัสสะนะโบตัสสะภะควโตอะระหโตสมมาสัมบุตทัสสะนะโบตัสสะภะควโตอะระหโตสมมาสมบุตทัสสะอนภพพิชลุวิหะเรยะ อปยาปันเดนะเจตาโซสโตเอก ข, าขาจิ ต, ตัสสะอจฉ ต, ตังสุสาหิตโตตีณ <c oughs> ลำดับต่อไปก็จะเป็นการควังธรรมบัญยายเป็นธรรมปฏิบัติในยามเช้า ของวันอาทิตย์เวลา9ก0โมงนาทีเราก็ฟังธรรมไปปฏิบัติไปเรื่องการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าให้ทำความเข้าใจให้ถูกคือการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งและก็เป็นการปฏิบัติธรรมหลัก เพราะฟังธรรมมันสร้างความเข้าใจสร้างความรู้ความเข้าใจและความรู้ก็จะไปเสริมการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้และเราจะปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้ขืนปฏิบัติไปก็จะผิดทางดังนั้นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นคำพูดที่ท่านพูดกันมาก่อน พูดกันมาแต่เก่าก่อนตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าว่าการฟังธรรมะเนี่ยการเรียนรู้ธรรมะเป็นการสร้างความเข้าใจแล้วก็เป็นการสร้างสัมมาทิฐิจนถึงมรรคถึงผลแต่ว่าเราก็าจะต้องในขณะที่เราฟังธรรมต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นการฟังธรรมและปฏิบัติธรรม ต้องนั่งไงนิ่งอย่าลอกแลกควบคุมกายวาจาใจของตนให้สงบแล้วก็ฟังฟังแล้วก็คิดตามฟังแล้วก็คิดตามฟังแล้วก็คิดตามใจเราก็จะอยู่แต่กับกระแสธรรมนั้น น, น, นั้นในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมหมายความว่าจิตเราจะอยู่ที่เสียงธรรมหนึ่งแล้วก็จะอยู่กับตัวเองหนึ่ง เรียกว่ามีความรู้ตัวเป็นที่พักแล้วก็มีความพิ จ, จนารณาในธรรมมีแค่สองอย่างเท่านั้นทีนี้ถ้าเราตัดประเด็นการควังธรรมออกไป <c oughs> ใจเรามันก็จะมีสัญญาคาดหมายมุ่งที่จะกดจิตกดใจตนเองให้นิ่งอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งที่ประสงค์จะปฏิบัติพอควังไป เสียงของธรรมก็ไปรบกวนการปฏิบัติของตัวเองพอไปรบกวนการปฏิบัติของตัวเองอารมณ์ที่จิตไปเกาะ อ, อยู่ก็ไม่นิ่งจิตมันก็จะหลุดกลายเป็นความฟุง้งซ่านมันเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกในเบื้องต้นนะว่าในขณะที่จิตอยู่กับตัวเองอยู่กับอาณาปานาสติกายคตาสติก็สามารถที่จะฟังธรรมได้ และจะเป็นตัวที่เกื้อสนับสนุนต่อกันและกันไม่งั้นท่านไม่ได้เรียกว่าทควังทำปฏิบัติทำแน่เพราะว่าธรรมะที่เราควังแล้วมันสร้างความเข้าใจสร้างความรู้ตัวปฏิบัติอาณาปานาสติกายคตาสติมันสร้างความแข็งแรงของสติสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้น ไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งกันส่งเสริมซึ่งกันและกันในนี้ทาความเข้าใจในภาคเช้าเป็นเบื้องต้นวันนี้ยกพระบา ล, ลีให้พวกเราได้ฟังกันสบายๆว่าอนะพิชาลุวิหารยะอัพยาปันเดนาเจตาโซสัตโตเอกขจิตตสะ อัจฉริสุมาหิโตอันนี้คือเรียกว่ายอดธรรมสี่ประการหรือทางของธรรมสี่ประการเป็นทางแห่งความดีสี่ประการแล้วแต่จะเรียกท่านใช้ศัพท์ว่าธรรมบทคือทางของความดีทางของธรรมสี่ประการสี่ประการคืออะไร สี่ประการนี้มีประโยชน์อย่างไรก่อนที่จะอธิบายให้พวกเราได้ฟังกันเนี่ยให้เราทำความเข้าใจในชีวิตตัวเองว่าความเศร้ามองเรียกว่าอายติงชาติมรัอยายติงชาติ ชรามรณะธรรมาหมายความว่าการสืบต่อชาติชรามรณะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะทงกสารของเราเนี่ยเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าเรากองเนี้ย มันถูกผูกไว้ถูกผูกไว้ในเส้นทางของชาติชารามรณะเพราะฉะนั้นเราจึงมีเครื่องผูกเครื่องผูกอย่างมั่นแม่นให้อยู่ในอย่างนี้ และเครื่องผูกนี้ไม่พาไปไหนมันให้หมุนวนมันให้เกิดเรียกว่าสัมปยุตตาปาเบเกหิอากุสเลหิธรรมเบหิสังกิเลสิเกหิโบโนภาวิเกหิสัทธเรหิหลายหิเหลือกันทุกขวิปาเกหิอายติงชาติ มราไอชาติชะรามารณิเกหินา่นนะหลายหิมากมันเป็นเครื่องผูกที่ประกอบข้าวแล้วให้เกิดเป็นอกุศลธรรมอันเป็นบาปอันเป็นเครื่องเศร้าหมองอมโปโนภวิเกหิอันเป็นเครื่องนําไปสู่พบใหม่ๆอยู่เรื่อยๆสัทธเรหิอันเร่าร้อน ให้มันเกิดความเร่าร้อนทุกขวิปาเกหิมีทุกขเป็นวิบากคือว่ามีทุกเป็นผลในที่สุดทุกทุกครั้งจะต้องมีผลเป็นทุกอยู่สเสม อ, ช า, อ, อาชาติอาญติิชาติมรณาชาติชรามารณิเกหิอันเป็นเครื่องสืบต่อชาติชารามรณนะเพราะฉะนั้น ไอ้เครื่องผูกตัวเนี้ยมันจะผูกเราให้หมุนวนอยู่ในวัฏสงสารอย่างนี้แหละเพราะนในชีวิตชีวิตหนึ่งของสังสารสัตว์ถ้ามันคิดได้เหมือนท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยเรามีโอกาสได้คิดและเราคิดได้ถ้าเราคิดได้เราสามารถที่จะคิดสืบต่อไปในความเป็นของตนเอง แค่ความชราอย่างเดียวนะเราดูนี่มีบางคนมาพูดการตมาว่าออพอแก่แล้วมันจึงรู้ว่าไอ้ความชราเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆถามว่าน่ากลัวยังไงเมื่อก่อนนี้สวดได้เทศได้พูดได้ ไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้เยอะแยะมากแต่มาวันนี้ทุกอย่างที่เคยได้ได้ได้มันหายหมดเพราะไอชรานี้เท่านั้นเองไม่ใช่อย่างอื่นเนี่ยบางคนพูดกันมาอย่างเงี้ยเหมือนกับพวกเรานี่แหละถ้าเราคิดได้หรือได้คิดว่าวินาทีของการมีชีวิตของเรา ที่ยังคงอยู่นะขนาดนี้ที่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปย่อยยับผุพังคร่ำคร่าลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะแก้ได้สิ่งใดๆทั้งหลายก็จะค่อยๆหดหายไปพลัดพรากไป <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าเราลองแค่คิดแค่เนี้ย พิจารณาแค่เนี้ยเราก็จะเห็นในความเป็นชีวิตของเราอนี่อย่างอันต้นมานี่นั่งอย่างนี้นะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ต้องห้อยเท้าพราะข้อเข่ามันเสื่อมถามว่าทนได้ไหมทนได้แต่ถ้าทนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ระยะการใช้งานมันสั้นลง <c oughs> ไอ้นี่มันเป็นการบริหารนะไม่เกี่ยวกับกิเลส แต่ถามว่าวันหนึ่งจะนั่งอย่างนี้ไม่ได้มันจะไมมีแต่ความคร่ำคร่าสุดโสมย่อยยับผุพังอ่เราลองนั่งดูสิคนระพิจารณาตัวเราเองตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในไวัยไหนไวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยเด็กวัยแก่เท่วาวัยชราหรือวัยไหนคือวัยที่เป็นเราอยู่ลองพิจารณาดูมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นแล้วไม่เป็นเปล่านะ เป็นไม่เป็นเปล่าเป็นแล้วเนี่ยมันทำลายทุกอย่างที่มีค่อยๆค่อยหดออกไปค่อยๆ right. ห like like ดหายออกไปหดหายออกไปพลาดพราดกันจากกันออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปเรื่อยๆรืยๆเรื่อยๆเรื่อยเงยเสร็จแล้วเรายังรู้สึกว่า เราอยากจะมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเพราะอะไรที่เราอยากยังมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยเพราะอะไรในยามใดที่เราทุกแก้ไม่ได้เราก็คิดว่าถ้าฉันรู้ว่าฉันเกิดมาแล้วต้องอยูนในสถานะอย่างนี้ฉันไม่เกิดดีกว่าลองถามดูคนทุกข์นะ ถ้ารู้ว่าเกิดแล้วต้องมาเจออย่างนี้เกิดแล้วต้องมาเจอกับความเป็นหนี้เป็นถินล้นพ้นเกิดแล้วต้องมาเจอกับไอ้ไอเรื่องปัญหาคาราคาซังอยู่นี่ฉันไม่เกิดดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังมุ่ง ม, มั่นที่จะปรารถนาซึ่งการเข้ามาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกถ้าเรียกว่าโปโนภาวิกาเพราะอะไรเพราะมันมีเครื่องผูกอยู่ เพราะมัมีเครื่องผูกอยู่เครื่องผูกนี้ไม่แยกไม่แยกฐานะใดๆทั้งสิน้นเครื่องผูกที่ว่านี่คืออะไรเครื่องผูกที่ว่านี่ก็คือท่านเรียกว่าโยคะโยคะเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมรู้แต่โยคะยื ด, ย ด, ห, ด, ห, ดหดกลิง้ง รู้แต่โยคะยืดยืดหดหดกิ้งกิงดีจังเลยไอโยคะเนี่ยเป็นเร่าเครื่องผูกเครื่องผูกในที่นี้ก็คือกิเลสเป็นเครื่องผูกให้เราหมุนวนอยู่ในวัฏฏะอันนี้เพราะมันผูกแล้วทําให้เราเกิดอะไรทําให้เราเกิดอหังการะมะมังการานุใสอืมเนี่ยเด็ทุกคนน่ะ ที่แตะไม่ได้ดุไม่ได้ว่าไม่ได้เตือนไม่ได้นินทาไม่ได้เพราะว่าอะหังการะมะมะการานุสัย ถ, ถูกที่มันผูกไว้จนกรทั่งแข็งลึกอยู่คือไอความเป็นเราของเราที่มันลึกอยู่นี่เกิดขึ้นมาจากเครื่องผูกทั้งนั้นนะ นี่เครื่องผูกที่ว่าเนี่ยที่พระเจ้าว่าอายติงชาติชารามรณิเกหิคือให้หมุนวนอยู่ในชาติชารามรณะนี้ต่อไปคืออะไรจตารโรเบพิกขเวโยโคภิกษุทั้งหลายนี่คือโยคะสี่ประการสี่ประการคืออะไรบ้าง กามโยโคเคยยินไหมกามโยโค้ภวะโยโคทิฏฐิโยโคอวิชยาโยโคคือกามโยคะกามโยคะ oka, ภาวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชโยคะกามโยคะคืออะไร พระพุทธเจ้าวันนี้ไม่ได้พูดทิ้ทงอย่างนั้นนะอนธิบายได้นะ mm. ก็ท่านจะภิกขเวกามมโยโคภิกษุทั้งหลายกามมโยุขะเป็นอย่างไรพระเจ้าสัดทางนี้อิทภิกขเวเอกัาโจภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้รวมถึงพวกเรานี่แหละตั้งใจฟังให้ดีว่ากามโยุขะเป็นอะไรที่มันผูกเราไว้ ทุกข์จะเป็นจะตายเวลาทุกข์แล้วรู้สึกว่าถ้ารู้ว่าเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ไม่เกิดมาดีกว่าพอความทุกข์นั้นดับไปก็อยากใหม่ต่อพอมีความทุกข์ทีงอ้นไม่อยากแล้วไอ้พวกที่ฆ่าตัวตายก็เป็นแบบเนี้เพราะในภาวะที่มันเกิดความทุกข์ไม่สามารถทนอยู่กับความทุกข์นั้นได้ก็คือเด็ดชีวิตตัวเองออกไปถ้ามันทนไปอีกหน่อยความทุกข์นั้นดับมันก็ยังอยากอยู่ความเป็นอย่างนั้นอีกหรือบางคนตัดสินใจฆ่าตัวตายกระโดดตึกลงมา ปกล้จะตายยังไม่ทันตายคนก็ไปช่วยโอ๊ยพอโดดมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่อยากตายแก้ไม่ได้แล้วเพราะมันกําลังจะค่อยๆตายอืมเพราะไอ้พวกเครื่องผูกนี่แหละพระเจ้าว่ากัท่านจะพิก เ, กเวยกามโยโคพิจูตต่งหลายกามายุคเป็นอย่างไรอิทะพิกเวยเอกัตโพิจูตั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้อืม กามาังสมุดยัญจะอถังขมันจะอัาดันจะอดีนวันจะนิสระนันจะยทธาภูตังนับปัานาติแปลว่าคนบางคนอะไม่รู้ไม่รู้ความเกิดไม่รู้ความดับนะไม่รู้ความเกิดความดับคุณโทษและ เครื่องอุบายเป็นเครื่องสลัดออกของกามตามความเป็นจริงอตอิกตรศกา ม, มานังสมุดยัญจะจนถึงนน่นแหละจะท่าภูตังนับประชานณโตเมื่อผู้นั้นไม่รู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออก จักกามตามความเป็นจริงแล้วโยกาเบสุนะโยกาเบสุกา ม, มาราโคกามนันทิกามสิเดโหกามมุจชากามปิปาสากามปาริลาโหกามโชสานังกามตันหาสา นุเสติซานุเสติแปลว่าเมื่อเขาไม่รู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากกามตามความเป็นจริงแล้วกามะราโคความปรารถนาในกามกามะนันทิความเพลิดเพลินในกามกามะมุจชาความ ออหมกมุ่นในกามกามะปีปาซาความกระหายในกามกามมปาริลาโ h ความเร่าร้อนเพราะกาลกามมจโฌซา낭ความยั่งลงในกาลกาเมาตนาความทะยานอยากในกามสานุเซติย่อมเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นกระท่านจะพิการวอายังวุตจติกามโยโธพิทูต่งางๆนี่แหละเราเรียกว่ากามยายู่ครับเอ้ามาดูสิแค่ข้อแรกเนี้ยกามราโคความกำหนัดในกามหมายถึงอะไรคือแรงปรารถนาในสิ่งที่ชอบอืมพอนึกถึง พ, พูดถึงเรื่องกามเรานึกไปถึงกันเรื่องเดียวอะ่ะมันึะโง่กันอยู่อย่างนี้ มนกกันมมนึกถึงเรื่องเดียวพอพูดถึงกามแล้วนึกถึงเรื่องเดียวกามะโรราโคคือความกำหนัดใคร่ในสิ่งที่ชอบคือแรงปรารถนาในสิ่งที่ชอบนั่นอา้าวกามนานที่ความเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบกามะมุชชาไอ้กามสีเดโฮความมีเยื่อใอยอยู่กับสิ่งที่ชอบ กามมุจช่าความหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ชอบจมปลักอยู่กับสิ่งที่ชอบกามปีปาซาความกระหายต่อสิ่งที่ชอบกามปิอาริลาโหความเร่าร้อนร้อนเรา่าต่อสิ่งที่ชอบกา ม, มัโชสาหนังความยังลงติด ตรึงอยู่กับสิ่งที่ชอบกามมัตหาความทะยันอยากเข้าไปหาสิ่งที่ชอบเนี่ยานุเซติจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ตัวนี้จึงชื่อว่ากามโยคะเครื่องผูกคือกามก็ ค, คือความปรารถนา ความเพลิดเพลินความมีเยื่อใ่ความหมกมุ่นความหมกมุ่นน่ความหมกมุ่นความเร่าร้อนความกระหายความหยางลงความทยานอยาก ต่อสิ่งที่ชอบทั้งหลายแหลเนี่ยมันเป็นกามาโยคะนี่เครื่องผูกตัวที่หนึ่ง เ, เราก็พิจารณาดูได้พอเราคิดได้แล้วเนี่ยเราดได้คิดแล้วเนี่ยเราพิจารณาดูในชีวิตเราที่อยู่ในทุกวันนี้ที่เราปรารถนาก็คือหาสิ่งที่ชอบทั้งนั้นที่เพลิดเพลินอยู่ก็สิ่งที่ชอบทั้งนั้นที่เราร้อนอยู่ก็สิ่งที่ชอบทั้งนั้น ที่ยานอยากอยู่ก็สิ่งที่ชอบทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าอันนี้เป็นเครื่องผูกตัวที่หนึ่งตราบใดที่เครื่องผูกตัวนี้ยังอยู่เราจะมีโอกาสสัมปยุตตาปาปเ ก, กหิอกุสเลหิธรมเบหิสังกิเลสิเเหิเมื่อช่วงนี้ยังประกอบอยู่อกุสุลอัน อกุศลธรรมที่เป็นบาปอันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่เป็นเครื่องเร่าร้อนเป็นเครื่องอมีทุกข์เป็นผลเป็นสิ่งซึ่งจะให้สืบต่อชาติชารามรณะต่อไปคือทุกข์ดวงนี้เกิดแล้วดับไปก็เกิดใหม่ดับเกิดใหม่ดับเกิดใหม่ดับเกิดใหม่ดับอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ้นสุด เพราะว่ามันถูกเครื่องผูกนี้ผูกอยู่นี่เครื่องผูกตัวแรกนะเอาเครื่องผูกตัวแรกที่ว่าชอบสิ่งที่ชอบทั้งหลายมีอะไรมั่งก็ลองศึกษาเอาเองนะไม่ต้องอธิบายมันกินเวลาไปมากอะไรที่ตัวเองชอบชอบชบชอบชอบชอบทั้งหลายแหละแต่พระบุญเจ้าแยกออกมาแล้วสรุปทั้งหมดที่เราชอบน่ะออกมาเป็นเพียงแค่ห้าประเภทส่วนที่เป็นรูปเป็นสีนี่หนึ่งนะ ส่วนที่เป็นเสียงนี่สองส่วนที่เป็นกลิ่นนี่สามส่วนที่เป็นรสนี่สี่และส่วนที่เป็นโผตัพพะคือสิ่งที่มาสัมผัสกับกายของเราเนี่ยแหละเรียกว่าห้าอย่างเมื่อสรุปแล้วไม่มีอะไรเกินจากห้าอย่างนี้สิ่งที่เราชอบลองดนูนะจับตินสมบัติลูกกรอบครัวเลือกชวนไรหน้าทั้งหมดนะสรุปแล้ว มันอยู่ในแค่ห้าอย่างนี้เท่านั้นรวมเป็นความก็คือโลกนั่นเองโลกนั่นเองในส่วนที่เราชอบเครื่องผูกตัวที่สองเนี่ยไปเร็วๆไม่ต้องละเอียดมากเพราะเราแต่ละคนกับความรู้เยอะแยะแล้วเครื่องผูกตัวที่สองทำให้เราทั้งๆที่เรารู้เดี๋ยว่าว่าโลกนี้มันทุกข์เกิดมาเป็นมนุมันทุกลืเกินแต่มันยังอยากอยู่อยากมาอยากมีอยู่อย่างนี้ มันมีเครื่องผูกอยู่สี่ตัวเครื่องผูกตัวที่สองคืออะไรพระพุทธเจ้าเรียกว่าภาวะโยโคภวะโยคะภาวะโย ค, ะ, ะ, โยคะนี่เป็นอย่างไรอีกพระพุทธเจ้าก็อาธิบายอีกอะเหมือนกันภวะโยคะคืออาการที่บุคคลยังภาวะราโคภาวะนันทิภาวะสิเดโหภาวะ สีเดโหภาวะมุตฉาภาะวะปีปาสาภะะาวปริลาโหภาวะโชสะนั่งภาะวะตันหาสานุเสติแปลว่าอาการที่คนบางคนนั้นมีความปรารถนาในสิ่งที่เป็นอ่าขอแรกกรรมมโยโคน่คือปรารถนาในสิ่งที่ชอบใช่ไหมปรารถนาเพลิดเพลิน เ, เยื่อเยยหมกมุ่นชุ่มแช่ต้องการทยานอยาก ในสิ่งที่ชอบตอนนี้ไอ้เครื่องผูกตัวที่สองพูเจ้าว่าภาวะราโคภวะนันทิภาวะปริลาโหไอ้ภาวะซีเดโหภวะมุจฉาภวะปีปลาสาเป็นต้นซึ่งแปลความว่าปรารถนาเพลิดเพลินมีเยื่อใหญ่หมกมุ่นชุ่มแช่กระหายและทยานอยากในสิ่งที่เป็นนาน เป็นอะไรมั่งดูถามตัวเังไงเราเป็นอะไรมั่งฮะเป็นอะไรมั่งอ่ะนายพลนี่นานายพลอ่ากำลังจะเป็นอดีตเวลาเกษียณก็เป็นอดีตนี่คุณหมอความเป็นนะเป็นเราเป็นเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้อง เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นโน้เยอะแยะมากมายในที่เป็นน่ะความอยากที่จะเป็นน่ะปรารถนาที่จะเป็นเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นเยื่อใยในสิ่งที่เป็นมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่เป็นจมแช่อยู่กับสิ่งที่เป็นเร่าร้อนอยู่กับสิ่งที่เป็นยังลงในสิ่งที่เป็นและทยานอยากในสิ่งที่เป็นอันนี้เรียกว่าภาวะโยคะนี่สองเส้นสองเส้นเชือกแล้วที่ผูกอยู่ กามโยคะกับภาวะโยคะต้องคิดตามด้วยนะในชีวิตเราเนะ่นนนะมันผูกอยู่สองเส้นแล้วอา้าวเส้นที่สามที่แค่สองเส้นนี้ก็แย่แล้วนะพระพุทธเจ้าไม่ยอ ม, มอีกมีเส้นที่สามอีกอ้าวเส้นที่สามพระพุทธเจ้าเรียกว่าทิฏฐิโยคะ โยคะคือความเห็นโยคะคือทิฏฐิเอาเลยเอาสิเอาแล้ว อ, อะไรมั่งล่ะมันเป็นอย่างไรล่ะไอ้ทิฏฐิโยคะพระพุทธเจ้าว่าเออถ้าพี่กั อ, อ้เอกัดโจพิจูตหลายคนบางคนเนี่ยทิฏฐินั่งสมุตะยันจะอัถถะมันจะคือทั้งหมดทุก ต, ตัวแหละไอ้ที่ไม่สามารถรู้เห็นซึ่งความเกิดความดับคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อ่า คุณโทษประโยชน์และอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากทิฏฐิทั้งปวงเนี่ยทำให้ความปรารถนาในสิ่งที่เห็นความมีเยื่อใยกับสิ่งที่เห็นความจมแช่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เห็นหมายถึงที่ใจเห็นความมีเยื่อใย ความเร่าร้อนความหยางลงและความทะยานเข้าไปสู่สิ่งที่เห็นนั้นจะเกิดขึ้นเอาเป็นอะไรมั่งล่ะทีนี้ถามดูสิความเห็นอะความเห็นของเราอืมถ้าไปเปิดปฐไตรปิฎกเราก็จะรู้จักคำว่าทิฏฐิหกสิบสองทั้งหมดนั้น เป็นความเห็นที่เกิดขึ้นในตัวเราอะไรที่เราเห็นแล้วถามลงถามตัวเองนะว่าพอเห็นแล้วมันเกิดความปรารถนาในความเห็นนั้นเยื่อใยต่อความเห็นยึดมั่นต่อความเห็นบุดมุ่นอยู่กับความเห็นนั้นเห็นอย่างไรแล้วไม่กลับเป็นอื่นผูกอยู่นั่นนะ เพราะว่ารูปสวยเห็นว่ารูปสวยมันจะขี้เรเน่าน้องไหลน้ำเน่าไหลนอนไตย่อเยะแล้วมันก็ยังสวยอยู่นั่นนหะอาการใดที่จิตไม่สามารถรู้เห็นซึ่งความเห็นเหล่านี้ว่าตามความเป็นจริงได้ความความเป็นจริงคือว่าเห็นการเกิดการดับคุณโทษแล้วก็อุบายเป็นเครื่องสลัดออก ถ้าไม่เห็นอย่างนี Nations, ้ไม่เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้มันก็จะผูกอยู่อย่างนี้แหละผูกกันไปอยู Jorge ่นั่นแหลเห็นอย่างไรกับชีวิตเห็นอย่างไรกับอดีตเห็นอย่างไรอยู่กับอนาคตเห็นอย่างไรกับชาติที่แล้วชาติอดีตชาติเห็นอย่างไรกับชาติหน้าเห็นอย่างไรกับสามีเห็นอย่างไรกับภรรยาเห็นอย่างไรกับลูกเห็นอย่างไรกับงานเห็นอย่างไรกับหัวหน้าเห็นอย่างไรกับลูกน้องเห็นอย่างไรกับสังขาร เห็นอย่างไรกับขันห้าเห็นอย่างไรกับตัวเองเห็นไปเธอแต่มันเห็นไปแล้วเนี่ยมันก็จะผูกอยู่กับความเห็นนั้นเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถรู้เห็นทิฐินั้นตามความเป็นจริงได้แต่เมื่อใดที่รู้เห็นทิฐินั้นตามความเป็นจริงมันก็จะพราดจากโยคะก้อนนี้แต่เมื่อใดที่ยังไม่เห็นอย่างนั้นมันก็ยังเป็น เส้นเชือกอีกเส้นหนึ่งที่จะรัดรึงเราไว้เนี่ยกี่เส้นแล้วสามเส้นแล้วคือกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะจำให้ดีอ้าวเส้นต่อไปเนี่ยนึกว่าจะหมดแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดนี่เส้นที่สี่ดูทิฏฐิโยมและโยมจะต้องกลับมาแก่กันอีกกี่ครา เราจะต้องกลับมาแก่กันอีกกี่คราเนี่ยครั้งใดที่เรารู้สึกเศร้าเสียใจทุกข์สุขกับความพลัดพรากเช่นพ่อเราตายแม่เราตายคู่ครองเราตายคนรักเราตายเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเนี่ยแล้วเราร้องไห้เศร้าสุกหรือเราต้องอกหักผิดหวังรักคุดร้องไห้เศร้าโุก ทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราคำถามนี้จะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับเราทุกภพทุกชาติที่เราเกิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่คำตอบว่าทำไมพ่อเราถึงตายทำไมแม่เราถึงตายคำถามมันควรจะถามถึงว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ผู้ที่ตอบคือพระพุทธเจ้าเพราะว่าเอ็งถูกผูกไว้แล้ว ด้วยเครื่องผูกเมื่อกี้สามแล้วใช่ไหมนี่เส้นต่อไปนี้คือเส้นที่สี่และเส้นสีเนี้มันเป็นเส้นที่นอกจากผูกไว้อย่างนี้แล้วนะยังไปร้อยถักใยรัดรึงเครื่องผูกอีกสามเครื่องผูกนั้นนะ่ะให้มันแน่นหนาขึ้นไปด้วยเมื่อใดที่เราพยายามแก้เครื่องผูกเส้นที่หนึ่ง มันจะต้องคลี่คลายเส้นที่สี่นี้ไปด้วยเมื่อใดที่เราไปผูกเราไปแก้เครื่องผูกเส้นที่สองมันก็ต้องไปคลี่คลายเส้นที่สี่นี้ด้วยเมื่อใดที่เราไปแก้เครื่องผูกเส้นที่สามมันต้องไปคลี่คลายเส้นที่สี่นี้ด้วยอ่านี่ถ้าตั้งใจควางตั้งแต่ต้นมาจ น, นถึงตอนนี้นะจะจะได้ความรู้จริงๆได้เยอะมากกับเรื่องของชีวิต ทีนี้ไ e อ้เสนที่สเป็นอะไรผู้เจ้าว่าอิตาพิกเวเอกัดโจคนบางคนในโลกนี้เขาเป็นอย่างไรชนนางพัสซายตนาณังรู้จักไหมชั่นนังพัสซายตนาณังสมุดยัญจะอังคยัญจะอัซซาดันจะอ า, ด, าอดีนวันจะนิสระนันจั สานุเซติยาถาภูตังนับประช า, าติเมื่อไม่รู้บุคคลบางคนนั้นไม่รู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสละดออกของผัสสะยตนะทั้งหกเอาแหละทีนี้มาดูที่เครื่องผูก เรื่องผูกที่ว่าระหว่างเรากับโลกที่มันแทกกันเนี่ย เ, ออเรียกว่าภัษายตนาชั้นนังภาษายตนานังคือภาสายตนาทาั้งกอ้าวภสษาตัวที่มีหอกอย่างใช่หมอะไรนหนึ่งตาเรียกว่าจากักขุสัมผัสใช่หมหูโสตะสัมผัสจมูกคานะสัมผัสลิ้น จิวหาสัมผัสกายกายะสัมผัสใจมโนสัมผัสเห็นไหมเมื่อใดที่ไม่รู้สัมผัสทั้ง6ประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้สัมผัสทัณหานี้ตามความเป็นจริ ง, เ, เ, ขร ง, เ, รงเขาจะเป็นอย่างไร ยาชะสุภัษายัตเดสุอวิชาอัญญานังสานุเซติพระพิจาสรณาอย่างนี้เลยเมื่อเขาไม่รู้ภัษาญาตนาทั้งหกความเป็นจริงความอวิชาอัญญานังความไม่รู้คือความความไม่อย่างรู้ในภัษาญาตนาทั้งหกนั้นก็จะเกิดขึ้น นะตรงๆไหมเมื่อไม่ร uh uh uh uh uh ู้ตามความเป็นจริงความไม่ร uh ู้ความไม่อยางรู้ในการสัมผัสทั้งหกนั้นจะเกิดข uh ึ้นนั่นแะเมื่อความไม่รู้นั้นเกิดขึ้นก็จะเป็นอะไรเออึพอความไม่รู้นั้นเกิดขึ้นมันก็เป็นอาวิชอาวิช อวิชชาอวิชายาโยคะหรืออวิชโยคะ น, นั่นแหละโยคะคืออวิชาเป็นเครื่องผูกไว้ทันทีเพระไม่รู้มันก็ผูกไว้อยู่นั่นน่ะทีนี้ให้สังเกตว่าทําไมถึงพูดว่าเครื่องผูกอย่างการมโยคะทิฏฐิโยคะภาวะโยคะพระพุทธเจ้าจะสัดเลยไอ้รู้ตามความเป็นจริงคือรู้ว่าความเกิด สมุทยัยจะจะนี่รู้ถึงความเกิดของมันอัถังก็มันจะรู้ถึงความแบบของมันอัาทัานจะรู้ถึงคุณของมันคำว่าคุณของมันเนี่ยเอา้ากามสิ่งที่เราชอบทั้งหลายแหละมีคุณไหมคืออะไรคุณของมันอ่ะเอา้าไมพูดสิถ้ามันไม่มีคุณไม่ติดหรอกเอา้าคุณของมันคืออะไรอะ พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอัาทะอัศทะแปลว่าความน่ายินดีความแช่มชื่นที่เกิดขึ้นครัคร้งคราวเข้เอหอเขาบอกว่าเพลงนี้เพราะคนนู้ก็พูดว่าเพราะคนนี้ก็พูดว่าเพราะคนนี้ก็พูดว่าเพราะคนนูก็พูดว่าเพราะ ครั้นเราได้ยินเข้าคนรคน้อยคนพันคนหมื่นคนก็พูดกันว่าเพราะเพรา ะ, ราะทำไเราเขาอยากไปอยากไง <c oughs> อยากฟัง <c oughs> อยากฟังเสร็จได้พอเราได้ฟังเป็นไงสบายชื่นใจอันนี้คุณของมันเนี่คุณของมันอ ะ, อะไรที่ชื่อว่าสิ่งที่เราชอบนั้นจะให้คุณอยู่ตรงเนี้ยอัศว์ทันจะคือให้ความชื่นใจนะนั่นแะแค่นั้นนหะแต่นี่ยนาะ รู้จักความเกิดของมันก่อนแต่ก่อนมันไม่มีเพราะมันมีขึ้นมาเราเห็นวความเกิดของมันมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันหายไปก็รู้จักความดับของมันว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นและดับในขณะที่มันทรงอยู่คงอยู่มันให้คุณอะไรให้แค่ความชื่นใจชั่วครั้งชั่วคราวรติดเดียวแล้วก็หายไปอืมเพราะฉะนั้นรู้ตัวสุดท้ายที่เราจะต้องรู้ตามความเป็นจริงคืออุบายเป็นเครื่องสลัดออกนิสรานัญจะเนี่ย อุบายเป็นเครื่องสลัดออกทุกตัวจะต้องรู้ถึงอุบายเป็นเครื่องสลัดออกให้ได้ถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ในอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากการจากพบจากทิฏฐิจากกวิชาแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงได้ไอ้รู้ตามความเป็นจริงที่เรารู้เน่เราไปพูดไปเถียงกันก็จมมกอยู่กับความไม่รู้ทั้งหลายเหมือนกับไอ้คนจมอยู่ในหลุมโคลนน่ะปากก็ เต็มไปด้วยขี้โครนหูก็เต็มไปด้วยขี้โครนตาก็เต็มไปด้วยขี้โครนตัวก็ถูกคุ้มห่อไปด้วยขี้โครนและเถียงกันเรื่องความสะอาดโชว์ตัวโชว์นิ้วโชว์ตัวขึ้นมาไอ้เอ็งดูที่ผิวข้าสะอาดสะอาดใสพองะทั้งทังที่เต็มไปด้วยอะไรขี้โครนเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่สามารถไม่สามารถ ที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ถ้าตราใดยังไม่นิสะระนังคือยังไม่รู้จักอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากกามจากพบจากทิฏฐิจากวิชาเนีย่ยสำคัญงนาดนะันะ้เมื่อใดที่เครื่องผูกตั้งสีนี้ยังคงอยู่ที่เราเราจะปฏิบัติขนาดไหนก็ช่างมันจะอะไรอาญติงชาติชะรามรนิเกหี โปโนพวิเกหิสัทธเรหิทุกขวิปาเกหิอายติงชาติชะรามารนิกเกหิพระเจ้าว่านี่พระเจ้าว่าอย่างนี้เลย <c oughs> คือจะก่อให้เกิดเครื่องเศร้าหมองในใจไม่เศ้ามองเฉยๆโปโนพวิเกหิคือเป็นกลเป็ น, นกลไกอันนําไปสู่พบใหม่ คือสู่ความอยากจะเป็นอย่างนั้นอีกสู่ความอยากจะเป็นอย่างนี้อีกมันมีตั้งเยื่อใยมีความเพลิดเพลินในความที่จะเป็นความมุกมุ่นอยู่กับความที่จะเป็นความเร่าร้อนที่จะเป็นทยานอยากที่จะเป็นทั้งนั้นสัทธเรหิมีความเร่าร้อนทุกขวิปากเกหิและก็จะมีทุกเป็นวิบากเราจะเถียงไหม ว่าอะไรที่มันไม่ทุกในการที่ถูกเครื่องผูกทั้งสี่เส้นนี้ผูกอยู่ไม่มีและสุดท้ายอายะติงชาติชารามรณิเกหิคือหมุนเข้าไปสืบต่อชาติชารามรณะอีกต่อไปเพราะนั้นเราเจอกับความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เราก็ยังจะต้องเจออีกต่อต่อไปคำถามที่ว่า ทำไมเราจะต้องทุกอย่างนี้ทำไมเราจะต้องทุกอย่างนี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกพบทุกชาติที่เราเกิดและเราก็จะต้องเกิดทุกพบทุกชาติเหมือนกันที่เรายังต้องมีเครื่องผูกเหล่านี้อยู่อันพระพุทธเจ้าเจออย่างนี้เสร็จแล้วบอกว่าวิธีทํายังไงพระองค์พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องสพโยคะวิสั่งโยโคต้องพรากจากเครื่องผูกทั้งปวงนี้ให้ได้ อา้าพรากทำยังไงอะ่ะเมื่อกี้บอกไอ้ที่ผูกไว้เนี่ยคือไม่รู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมไวิธีพรากก็คือรู้ตามความเป็นจริงซะเออของพุทเจ้าง่ายไหมง่ายรู้ตามเปนเป็นจริงแล้วเป็นยังไงรู้ตามความเป็นจริงก็คือว่าอืมไม่เกิดนะไม่เกิดความปรารถนาในสิ่งที่ชอบไม่เกิดความเพลิดเพลินในสิ่งที่ชอบ ไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไอ้ที่เกิดเกิดมาทั้งหัวหน่าหนาไม่เกิดนั่นแหละคือมันพลาดพลาดไปจากโยคะแล้วสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยยาชันนังผัสซายตะนาณังอวิชาอะวิชาัญญานังนุสเสติสุดท้ายเนี่ ย, ย, ายานนว่าเมื่อเมื่ออย่างนั้นเลยนะ ความไม่รู้และความไม่อย่างรู้ในภาษายัตนาทั้งหกจะไม่เกิดขึ้นอ่าจะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแล้วพอตากระทบกับรูปปั๊บเกิดเป็นจกักหูสัมผัสใช่ไหมมันรู้จริงในการสัมผัสนั้นในการเห็นนั้นรู้จริงว่ารู้จริงถึงความเกิดขึ้นใช่ไหมรู้จริงถึงการดับไปรู้จริงถึง ถึงคุณของมันว่ามันให้สุขเวทนาแค่นิดเดียวอืมรู้จริงถึงโทษว่าถ้าเราขืนไปยึดติดอยู่กับสุขเวทนานี้ก็จะเกิดโทษปรุงแต่งเข้าไปถู่ทุกขรู้จริงถึงนิส ร, รนันจะคืออุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากการรมนี้อพอรู้อย่างนี้แค่รู้อย่างเนี้ย มันก็ไม่ปรุงต่อแล้วมันก็หยุดหรือเราจะสรุปสั้นๆว่าไอ้รู้จริงก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาสั้นๆดีถ้ายาวไป <c oughs> เกิดเออแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาเห็นปับ๊บมันก็ตรงที่สับผัดตรงนั้นดับเลยแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ มันจะไปสู่สู่กเวทนาเปรียบปรับิทุกไปไหนปรุงไหมไม่ปรุงไปตันหงตันหาไหม <c oughs> แค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จาไว้ <c oughs> ถ้าเท่าทันในฉันนางผัสสายัตนา낭คือในผัสสายตนาทั้งหกนี้อวิชชาความไม่รู้อัญญานางความไม่อย่างรู้จะไม่เกิดขึ้น สานานุสิติพระวิเจ้าจะชอบใช้สับแบบเนี้ยแทนที่จะว่าความรู้เกิดขึ้นไม่เพราะเครื่องผูกมันไม่ใช่ความรู้เครื่องผูกมันคือความไม่รู้มันชัดชัดอยู่เหมือนขี้โคนเกาะอยู่ตามแขนเราอะขี้โคนตกกระปกอยู่เนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมไอ้ขี้โคนเกาะแขนเราเวลาเวลาขี้โคนออกไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่พูดว่ามือสะอาดดูขี้โคนออกไปแล้วไม่ใช่ ท่านบอกว่าขี้คนไม่เกาะใช่หมไ้นอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อัญญานังคือความไม่อย่างลงรู้ซานุเสติจะเกิดขึ้นแต่เมื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงแค่เรารู้แค่เกิดแค่ดับอวิชชาความไม่รู้อัญญานังคือความไม่อย่างลงรู้ซานานุเสติไม่เกิดขึ้นท่านจะใช้ยอย่างนั้นของพระเจ้าเครื่องผูกไปกี่ผูกเนี่ย สีผูกเชือกสี่เส้นนี่อันตรายมากเลยนี่วิธีการแก้ปัญหาของคนในโลกเนี่ยเราแก้ปัญหากันด้วยวิธีการตามความคิดของตัวเองเพื่อที่จะเพื่อจะแก้ปัญหาส่วนที่เป็นผลส่วนที่เป็นผลมองไม่ถึงเหตุแบบที่พระพุทธเจ้ารู้มันจึงเกิดทฤษฎี มากศาสตร์ต่างๆมากโดยกลายเป็นความแตกแยกเยอะแย ะ, ยะมากมายจนถึงวันนี้เนี่ยมีบางคนกล้าออกมาพูดว่าให้เลิกสอนพุทธศาสนาเสียเป็นนักวิชาการบางคนให้เลิกสอนพุทธศาสนาเสียเพราะพุทธศาสนานเนี่ยทำให้คนอ่อนแอทำให้คนอ่อนแอหวาดระแวงกลัวนั่นกลัวนี่โอ้ยไม่ทันกันเนี่ย พวกนี้คือพวกที่คลั่งคล้ายเพลิดเพลินหนักไปด้วยอำนาจของโยคะทั้งสี่เนี่ยเรามีระบบการปกครองมากมายเลยในโลกเนี่ยเพื่อให้เกิดความสุขแล้วเราก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆอย่าว่าแต่แค่แค่ในใจเราเนี่ยในใจของเราเนี่ยพอมง เอาต้นปีชอบพักนั้นกลางปีชอบพักนี้หมดสิ้นปีไปเอาพักใหม่อีกแล้วอืมไม่มีนะใค่คํคำว่าพ้นจากทุกนี่ยเพราะทั้งหมดที่เรากำลังเกลือกกล้วกคลุกคล้าวอยู่เนี่ยมันทุกขวิปากเกหิคือมีทุกเป็นผลถ้าเรา ร, รมยอมรับความจริงข้อนี้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่า อการะโยคีการะโยคนาสังยุตตาทิฏฐิไอภ า, าวะโยคีนาจูพยังทิฏฐิโยคนาสังยุตตาอวิชาอวิชาอวิชายะปุรักขาตาสตาคตชันติสังซารังเอ่อซังซารังชาติ มรณ ะ, ะมิโนถตมาเนีเก่งเลยจของพระพุทธเจ้าแม่นมากพูดไปพูดไปมันก็ก็ออกมาพูดไปพูดไปแล้วมัน ก, ก็ออกมาเออพระเจพระพุทธเจ้าว่าเมื่อคนที่ประกอบไอสัตว์นะสัตตาคัจฉันติสร้างสรารังชาติ ชาติชาราคามิโนเนี่ยคือว่าเมื่อสัตว์ผู้ซึ่งผูกด้วยกรมมโยคะผูกด้วยภวะโยคะผูกด้วยทิฏฐิโยคะอวิชยะปูรักษาและมีอวิชชาแวดล้อมเบื้องเบื้องเบงเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหน้าเป็นด่านหน้าเนี่ยอวิชชาแวดล้อมเป็นด่านหน้าเนี่ยคัตชันติจะไปทั้งซารัง สู่สงสารเนี่ยสู่สงสารชาติชรามรณาคามิโนอันให้ถึงซึ่งชาติและชาลามรณาต่อไปต่อไปเลยนี่ทรงทรงตัสต่อว่าเนี่ยเมื่อเมื่อสัตว์เหล่านั้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นอ่าทิ ทิฏฐิจจะปริญญาะพระวันจะ <c oughs> พระวันจะสปะปโซเมื่อสัตว์เหล่านั้นกำหนดรู้แจ้งซึ่งกามโยคะและภาวะโยคะทิฏฐินจะสมูหัดจะกถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิโยคะอวิชันจะวิราชนังสารอกซึ่งอวิชา สามรอกซึ่งอวิชาสัตว์เหล่านั้นก็พ้นจากโยคะเรียกว่าวิสังโยคะคือเป็นผู้ที่พลาดจากโยคะคือพลาดจากเครื่องผูกนั้นได้แล้วเหมือนสัตว์ที่เราจับก็ผูกด้วยเชือกสี่เส้นพอปล่อยออกตัดเชือกออกทั้งสี่เส้นสัตว์เหล่านั้นเป็นไงก็อิสระเสรีภาพอยู่ในทุ่งกว้างเหมือนกัน เพาะนั้นต้อนต้ น, นที่บอกว่าที่เราจะต้องหมุนวนเข้ามาสู่พบนี้เข้ามาสู่พบนี้คำถามที่ว่าทำไมฉันทุกข์เหลือเกินทำไมแม่ฉันต้องตายทำไมพ่อฉันต้องตายทาไมคนรักของฉันต้องทำไมฉันจะต้องจากคนรักของฉันทำไมวันก่อนเธอสัญญาว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปทำไมวันนี้เธอถึงไม่อยู่กับฉันคำถามพวกนี้จะเกิดขึ้นกับเราทุกพบทุกชาติที่เราเกิดทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ามี คำถามเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นทันทีแต่จะเกิดขึ้นวินาทีไหนก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าเราไม่พลาดจากเขาเขาก็ต้องพลาดจากเราเราไม่พลาดจากมันมันก็ต้องพลาดจากเราแต่เมื่อใดเมื่อใดที่รู้ถึงความเกิดถึงความดับของสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วเครื่องผูกเหล่านี้ก็จะถูกสลัดออกไป ในที่สุดพระพุทธเจ้าว่าอาวิชายะวิราชยังก็จะสํารอกซึ่งอวิชาไปด้วยทีนี้ในขณะที่เรายังไม่สามารถยังไม่สามารถแก้กเครื่องผูกเหล่านี้ได้เราจะทำยังไงในความมีชีวิตฮะ ค่อยๆเรียนรู้ไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ได้และควรจะต้องนำไปใช้ต้องใช้ต้องทำให้มีคืออะไรคือบาลีที่จะมายกขึ้นเป็นหัวข้อข อ, อุเทศของการบรรยายทำช่วงเช้าว่าอนณพิชลุวิหะเรยยะอปยาปันเดนาเจตาโซ สตูเอกะขะจิตตสะะักรายกันตัวไทยสตเอกตจิตตสะอัตฉตังสุสมาหิโตเพราะท่านว่ามันทางแห่งธรรมสำหรับที่จะไปชำระชะล้างเนี่ยหนึ่งจะต้องอนะวิชารุ คือต้องไม่มากไปด้วยความเพ่งเลงคือต้องไม่มีความเพ่งเลงต้องหัดมองความเพ่งเลงของตนให้ได้แล้วหยุดมันอภิชาแปลว่าความเพ่งเลงอนะพิชารุปแปลว่าความไม่มีความเพ่งเลงก็คือต้นริดรอนความเพ่งเลงของเราให้ได้ความอยากความเพ่งเลงก็คือความอยากที่ที่จ้อง อะไรที่เราได้เรารู้สึกคำว่าเล็งในใจของเราบ้างไหมอันนี้เล็งไว้เล็งไว้เล็งไว้เล็งไว้เล็งไว้เล็งไว้เหมือนโจรเหมือนโจรที่มันขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหรือเดินผ่านที่ใดที่หนึ่งแล้วมันเล็งไว้ก็กลับมาปล้นน่ะเล็งไว้แล้วกลับมางัดแง่เล็งไว้แล้วกลับมามามามาขโมยกตัวอย่างอาการเล็งเล็งเลงงทั้งหมดของใจเป็นอพิชาวิสมะโลภะ พระพุทธเจ้าเราบอกว่าด่านแรกเลยให้ฤริดรอนความเลงอนัพิชารุวิหารยะคืออยู่ด้วยอนัพิชาเ mm hmm. ดี๋ยว่าเรายังมีโลภไหม mm hmm. เออยังมีโกรโธไหม mm hmm. ยังมีหลงไหม mm hmm. มีคือชีวิตปกติในความเป็นจริงที่เราจะต้องอยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและอยู่เป็นคารวาสครองเรือนนี่แหละในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คืออนัพิชารุวิหารยะ คืออยู่กับความไม่เล็งอะไรที่เล็งออกไปอย่าตามอำนาจมันให้ได้แต่โลคยังมีไหมยังทํางานอยากได้เงินเดือนตามปกติไหมเออทําอย่างนี้รับผิดชอบงานได้ดีทําผลงานให้ดีเพื่อให้เกิดการประเมินได้โบนัสได้ปรับขั้นเดือนเดือนได้มาอันนี้เรียกว่าปกติไหมปกติไม่ใช่เล็งเล็งคือฮอกออกมาจากความปกติอีกเช่นว่า อ่ะเยอะๆหลายอย่างอ่ะหลายอย่างหลายอย่างที่มันงอกออกมาจากความเล็งออออกาจากความโลคปกตินี่แหละอ้าวต่อไปเข้าใจไหมตรงนี้หนึ่งต้องอยู่ด้วยความไม่เร็งคือริดรอนความเพ่งเล็งออกไปถ้าไม่ริดรอนความเพ่งเล็งออกไปเราก็จะตกเป็นขี้ข้าของเครื่องผูกเราเนน่นะในชีวิตปกติเนี่ย ความเลงเนี่ยนะอย่างเรามันทําให้เราเกิดการล็อกเป้าเข้าใจใช่ไหมเออความเล็งทําให้ล็อกเป้าเออความเลงเนี่ยมันทําให้เกิดการล็อกเป้าพอล็อกเป้าแล้วมันไม่วอกแวกไปไหนแล้วมันจะต้องมุ่งมั่นเอามาให้ได้ไม่เกี่ยงวิธีการ hmm. เหมือนคนยิงปืนอะพอประทับปืนเสร็จเลง็งเลงเสร็จมันล็อกเป้าใช่ไหม ล็อเป้ามันไม่มีทางทาอย่างอื่นแล้วคือเหนียวไก่เพราะอาการเลงเนี่ยเราต้องตัดออกก่อนริดรอนมันออกไปก่อนและที่เราเดือดร้อนกันส่วนมากเดือดร้อนกันด้วยเรื่องเล็งนี่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอาณาพิชารุวิหารยะให้อยู่ด้วยความไม่เลง็งสบายๆอะไรที่ตัวเองสามารถมีอยู่เนี่ยตอนนี้สำรวจตัวเองให้ได้แล้วก็ บอริหารสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยให้มันเกิดสปายะขึ้นมาอย่ามองแต่ตัวเองขาดอย่างเดียวให้มองเฉพาะที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยสภาพแวดล้อมสมคุณสมบัติที่ตัวเองมีอยู่เป็นอย่างไรแล้วก็บริหารจัดการให้ด้วยสภาพแวดล้อมนั้นะให้มันอยู่แบบสบปายะ เอาแต่เล็งเล็งตัวเองพวกที่เล็งอยู่ตลอดเวลาคือพวกที่รู้สึกว่าตัวเองขาดขาดขาดเยอะเอาเรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตอนแบกกระสอบผ้าขายวิ่งแขวแต่วิ่งขายอยู่แถวโบเบอ่ะเอ้ยมันเหนื่อยเหลือเกินก็เล็งไว้ว่าถ้ามีเว็บป้าดีๆสักคันพอแล้วชีวิตนี้ฮะ <laughs> มีเวปป้าดีๆสักคันนึงพอแล้วแหละก็รอดมันไม่ต้องแบกแล้วนี่กระสอบผ้าใช่ไหมพอมีเวปป้าขึ้นมาคันหนึ่งลับไปกลับมากลับมาแม่ถ้ามีกระบะไร้ไรๆเก่าเก่ามือสองสักคันหนึ่งพอแล้วชีวิตนี้ฮะ <laughs> พอแล้วชีวิตนี้พ อ, อ, อไปเอาป้ายแดงกระบะมาคันหนึ่งก็ขับไปกลับมากลับไปกลับมาแม่ถ้าได้เพิ่มรถเกง๋ง ส right ี่ประตูส <c ười> ักคันหนึ่งพอได้ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไม่ต้องมีหนักไม่ต้องมีกลิ่นอับผ้าเกาะอยู่ในเบาะในหลังมันจะรู้สึกมันน่าจะดีนะชีวิตนี้เปอมเป็นไปกับรถเก๋งไปแดงธรรมดาก็อยู่ไปอยู่มาแม่ถ้าได้บ m เอ็มสปอตสักคันหนึ่งเลงไปเรื่อยไงเลงไปเรื่อย เลงไปด้วยพอเลงแล้วทีนี้มันจะทำอะไรคืออะมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมไหนใครยกมือคื้อ๋อแต่ว่าไม่ไม่ต้องถามแล้วรุ่นนี้หมดแล้วะ <c oughs> พวกที่อายุสะว่างสามสิบถึงสี่สิบหรือไม่เกินห้าสิบห้าปีใครไม่เป็นหนี้มั่งฮะมันมาจากอะไรมาจากความเลงทั้งนั้นเลย อ้มีบัตรเครดิตรูดปื๊ดรูดปื๊ดเงินเดือนเดือนหนึ่งสองหมื่สามืนอ้าวยกตัวอย่างอ้าวมีรถคันหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งอ้าวสองคนผัวเมียเนี่ยสองคนสามีภรรยารวมแล้วเงเดือนเดือนหนึ่งก็ที่ว่า8ปดหมือ้าวให้แสนหนึ่งก็ได้วะอ้าวให้แสนหนึ่งก็ได้ว่ะสองคนมีบัตรเครดิตมีรถคันหนึ่ง ออรูดปืด้ดรูดปืด้ดทำไงอะ่ะออรถผถ่อนเสร็จยังเหลืออยู่ปีหนึ่งเอเอเอไอเนี้ยบัตรเครดิตก็รูดไปแล้วรูดบัตรนี้เต็มไปรูดบัตรอื่นอีกเต็มทำไงอะ่ะออรถไปร <c oughs> ีไฟแนนซ์ออรีไฟแนนซ์เสร็จได้เงินได้เงี้ยได้เงินสดออกมาอีกอ่ <c oughs> เพื่อที่จะไปอุดบัตรเครดิตใบนี้ไอไอบัตรใบนี้อุดเสร็จยังไม่ไดนั้ น, นผ่อนในนู้นเลย ขึ้นมาเต็มอีกแล้วกดอยู่อย่างเงี้ยความเลงอะ่ะมันจะกดหัวชีวิตเราอยู่อย่างเงี้ยไม่ให้โผล่ออกมามีอิสระได้ท่านพระเจ้าก็อบอกว่าอาพิชารุวิหารยะให้อยู่ด้วยความไม่เลงแล้วจะเป็นอิสระเบื้องต้นตัวต่อมาพระพุทธเจ้าว่าอ่าอพยาปันเดนเจตาโซ นี่ท่านผู้เป็นนักปฏิบัติจะต้องรู้เรื่องข้อที่สองนี่นี่เรื่องข้อที่หนึ่งรู้ไปแล้วนะเรื่องข้อที่หนึ่งจะควบฟุมเรื่องการปัจจัยสี่จะดูแลเราเรื่องปัจจัยสี่ท่านลองดูทําไมเราเรียนหนังสือเราใช้เงินวันกี่บาทเรื่องปัจจัยสี่นะเออมันจะค่อยๆงอออกมาจากความเล็งทั้งนั้นเรื่องที่สอง นอกจากความอยู่ด้วยความไม่เลงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าอภยปัณเดนะเจตโซคืออยู่ด้วยความไม่พยาบาทออันแรกเนี่ยถ้าถ้าอนนาพิชารุวิหารยะที่อยู่ด้วยความไม่เพ่งเรลงเนี่ยจะทําให้มีความสุขอยู่กับปัจจัยสี่ถูกไหมอันที่สองอภยปัณเดนะเจตโซจะอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข อยู่ด้วยความไม่พยาบาทปรับใจตัวเองให้มีความรู้สึกว่าอาภัยได้เสมอต้องอยู่ในฐานะที่เป็นผู้อภัยได้เสมอแต่ถ้าไม่อย่างนั้นจิตเราจะคอยจ้องอยู่แต่จะพยาบาท จิตที่จ้องพยาบาทคือจ้องที่จะก่อเวรอยู่เรื่อยๆเวลาจ้องก่อเวรแล้วเนี่ยมันจะทําให้คอยดูจับผิดหาเรื่องตลอดเวลาแล้วเราจงสํารวจจิตของเราสํารวจชีวิตของเราที่เราบอกว่าเราไม่ชอบคนโน้นหรือคนโน้นไม่ชอบเรามันเกิดจากอะไรนะ เกิดจากอะไรเกิดจากความพยาบาทในใจทั้งสิ้นความพยาบาทในใจที่มันเป็นเงื่อนปมผูกคุ ก, กรุ่นอยู่มันจะทำให้เราเห็นผู้ซึ่งไม่ใช่เรามีการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกใจเราตลอดเวลาพะ อ, อะไรที่ไม่ถูกใจเราเราก็จะเกิดความหุดหิดแล้วก็ผูกไว้นี่คือที่มาของคำว่า พยาบาทพระพุทธเจ้าบอกว่าอัปยันอัปยาปัน <c oughs> อปยาปันเดนะเจตโซแปลว่าให้มีใจอยู่กับความไม่พยาบาทอย่าให้มันคุกกลุ่นด้วยความรู้สึกว่าไม่ชอบแต่ให้มันเต็มเปี่ยมด้วยความพร้อมที่จะอภัยต้องพร้อมที่จะอภัยและจะอยู่ในสังคมเป็นไงอย่างเป็นสุขอยู่ในครอบครัวมีกันสี่คนพ่อแม่ลูกสองคนสี่คน พ่อก็อพยาปานาเจตาโซ่แม่ก็อพยาปานาเจตาโซ่ลูกคนที่หนึ่งก็อัพยาปันาเจตโซลูกคนที่สองก็อญญ า, า, าเปนาโซ่สี่คนอยู่ด้วยกันมันจ้องที่จะจับผิดกันไหมพร้อมที่จะอภัยให้กันพอเห็นอะไรที่จะเกิดความไม่ดีกับอีกคนหนึ่งเขาก็พร้อมร้อยเปเซนที่จะช่วยเหลือด้วยความมีน้ําใจเต็มร้อยเนี่ยอพยาปานาเจตาโซเพราะฉะนั้นข้อที่จะปฏิบัติของนักปฏิบัติ ที่ชื่อว่าลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องอปยาปัญนาเจตาโซเป็นชีวิตปกติให้เป็นนี่เป็นยอดธรรมข้อที่สองอ้าวข้อต่อไปเข้าใจไหมมีอะไรจะถามไหมสองข้อนีอ้วันนี้พูดเยอะแล้วเนี่ยฮะ อ, อ้าว คนที่มีครอบครัวอยู่ในสมาชิกครอบครัวหลายๆคนจะรู้คนที่ทำงานในออฟฟิศต่างๆก็จะรู้เข้าใจในเรื่องนี้ว่าเราไม่เป็นสุขอยู่ในสถานที่ทำงานก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีและยิ่งเดี๋ยวนี้นั่งบนโต๊ะกินข้าวจานข้าวตั้งอยู่ข้างหน้ามันสนใจตักข้าวใส่ปากตักแกงใส่จานตักกับใส่จานตักข้าวใส่ปาก ที่เหลือมันไม่สนใจแล้วว่าข้างหน้ากูคือใครข้างขวากูคือใครข้างซ้ายกูใครเพราะว่าไอ้นี่หน้าจอมันเปิดตั้งอยู่ตักข้าวใส่ปากพอยกขึ้นมายกข้าวยังไม่ทันถึงปากเลยนะไอ้นี่ดังติ้งวางข้าวก่อนบางทียกขึ้นมาใส่ปากคาบชนดังติ้งคาบขาไว้แล้วค่อยช้อนออกจากปากแล้วก็วางไม่สนใจนะข้างๆคือใคร ี่อย่าแหลมเข้ามาเชละ่ะเพราะพร้อมที่จะเปิดเวรตลอดเวลานี่อยู่ด้วยพยาปัญาเจตาโซอยู่ด้วยใจที่เป็นพยาบาทเข้าใจบอสนักปฏิบัติจะต้องอัพยาปัญาเจตาโซนี่คือยอดธรรมข้อที่สองและเราจะมีความสุขกับคนในครอบครัวกับคนในที่ทำงานกับคนในสังคม อ่อายอดทมข้อที่ 3. สามสตคือมีสติหมายถึงสัมมาสติอันนี้ก็คือเรื่องที่เราใช้กันอยู่คือมีความระลึกอย่างถูกต้องระลึกอย่างถูกต้อง ควบคู่กับข้อที่สี่ว่าเอกะขะจิตตัสสะเอกะขะจิตตัสสะอัจฉตังสุสมาหิโตมีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่เป็นกลางอัจฉรตังแปลว่าภายในภายในในตนี้เขที่ที่เขาเรียกว่ามีใจเป็นกลางนั่นแหละ มีใจเป็นกลางมีใจเป็นกลางคือจิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ไม่สามารถปรุงแต่งได้จิตไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ไม่มีตัณหามานะทิฏฐิจิตไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ไม่สามารถปรุงแต่งได้และความเห็นที่เกิดจากจิตอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นกลางเราเรียกกันว่า ปัจจุบันแท้ๆเอาสโตกับสมาฮิโตสองตัวนี้เป็นยอดทำข้อที่สามและข้อที่สีดูสโตก่อนสติคือความระลึกได้อย่างถูกต้องตัวนี้คือสัมมาสติสัมมาสติก็คือการจะเริญสติโดยปกตินี่แหละให้เข้าแข็งแรงขึ้นมาเป็นสัมมาสติตอนไหนเป็นสมมาสติตอนที่ รู้เท่าทันตามความเป็นจริงรู้เท่าทันตามความเป็นจริงและตั้งมั่นอยู่กับจิตที่เป็นภายในคือจิตที่เป็นกลางความคิดความเห็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนแต่อยู่ในการดูแลของสติที่จิตเป็นกลางนี่คือยอดธรรมข้อที่สามข้อที่สี่ แต่ถ้าเราไม่มียอดทำข้อที่หนึ่งเรายังเล็งอยู่เนี่ยยังเล็งไม่หยุดไม่ย่อนยังเลงอยู่ตะพุทธตะเอแล้วก็ยังพยาบาทพร้อมที่จะเปิดศึกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรามานั่งสมาธิควังเทศอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนข้าคอร์สปฏิบัติธรรมปีงสิคอร์สยีคอร์สในบ้านอะไม่สมุดบันทึกไม่มีอะไรหรอกมีแต่บันทึกคอร์สคอร์สคอร์สคอร์สปฏิบัติทั้งสิ้น แต่มันยังเร็งไม่ยุ่จักหยุดมันยังพร้อมที่จะเปิดศึกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ข้อสมข้อสี่จะเกิดขึ้นได้ไหมไม่มีทาง mieux. ไม่มีทางเพราะฉนั้นต้องปฏิบัติควบคู่กันไปข้อธรรมทั้งสีข้อนี้เขาเรียกว่ายอดธรรมพระเจ้าเรียกว่ายอดธรรมเป็นธรรมบทชื่อว่าทางแห่งความดีที่จริงแท้จริงเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังถูกเครื่องผูกอยู่ยังมีกามโยคะมันยังมีภาวะโยคะ ยังมีการปรารถนาในสิ่งที่ชอบยังมีความปรารถนาเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นยังมีความหลงไหลอยู่กับสิ่งที่เห็นและยังมีความไม่รู้ความไม่อย่างรู้รักดึงที่เราอยู่เนี่ยเราจะสามารถมีความสุขอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยยอดธรรมสีข้อที่ คือหนึ่งจะต้องอยู่กับความไม่เพ่งเล็งรดรอนความเล็งของตัวเองออกสองให้อยู่กับความไม่พยายามเป็นหลักไว้ให้ความไม่พยายามเป็นหลักไว้และก็สาจะเริญสติบ่อยๆเหมือนที่พวกเรามาฝึกกันนี่นี่แค่เป็นหนึ่งในในข้อธรรมข้อหนึ่งยอดธรรมข้อหนึ่งที่จะให้เรามีชีวิตอยู่อย่างสบายกับการอยู่ข้างนอกอืม แล้วก็ฝึกฝนจิตให้เป็นกลางอยู like <c 67 2> mm ่กับจิตที่เป็นกลางซึ่งก็เกี่ยวพันกันก็สามก็สี่เมื่อเป็นได้ดังนี้โอกาสที่เราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นอโยคเคมีติวุจติพระพุทธเจ้าบอกว่าอิทภิกษุทั้งหลายอะยังวุจติ อโยคคเคมีติวุตติเนี่ยว่าเราเรียกท่านผู้รู้จริงรู้ตามความเป็นจริงในกามในทิฏฐิในภพในอวิชชาว่าเป็นผู้กเกษมจากโยคะเป็นผู้กเกษมจากโยคะคือว่าเป็นผู้ที่แก้เชือกผูกทั้งสี่เส้นที่รัดรึงอยู่นั้น ให้ย่อยย่อนอ่อนตัวลีกลายจนถึงกระทั่งหลุดแล้วได้หลุดแล้วได้คนที่ทะเลาะกันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเครื่องผูกทั้งสิ้นคนที่แข่งแย่งกันก็เกิดขึ้นจากเครื่องผูกคนที่อะไรต่างๆเลยเกิดเครื่องผูกนี้ทั้งนั้นน่ะแต่เราไม่สามารถที่จะแก้มันได้ทันทีใช่ไหมเราก็ กลับมาปฏิบัติตัวเองเอาที่ทำได้ก่อนข้ออนัพิชาวิหารยะนี่ทำได้ไหมต้องทำได้สิโอ้ยถ้าทำไมได้กลับบ้านอย่ามันนั่งไงเมื่อยก้นอนัวิชาลุทำได้ไหมทำได้เรื่องแรกที่เราจะต้องรงมาบริหารความเลงของตัวเราก่อนอะไรที่เลงแล้วเนี่ยมันเพิ่มหนี้ไว้มันสร้างภาระเราเพิ่มขึ้นไว้ มันทำให้ลูกเลือดร้อนเมียเดือดร้อนครอบครัวลําบากเว้ยตัดออกไปก่อนตัดออกไปก่อนอย่าไปเล็งอืมเอารถเรามีคันหนึ่งแล้วนี่ตอนนี้เราครอบครัวเรามีสี่คนพ่อก็คันหนึ่งแม่ก็คันหนึ่งอ่ลูกก็คันหนึ่งเอของลูกมันบอกว่าของมันเก่าแล้วจะเปลี่ยนใหม่ถ้าขายมันบวกเสียดายเร่งเลงของเก่าอีกนะ จะเลงกันใหม่แล้วยังเลงเก่าไว้อีกก็มีไงเออจะขายของคันนี้คันที่ลูกค้าอยู่นี่จะขายทีได้อะอยู่เขามานานไม่อยากขายอีงเลงไว้แต่ว่าไอ้อันใหม่หนุก็เล็งไว้อยู่ก็จะมีสี่คนรถห้าคันในที่นี้สี่คนรถห้าคันนะเนี่ยมีไห ม, มโหอย่าพูดเลย มาจากไหนอะเลงทั้งนั้นนะนี่เป็นตัวอย่างและสามารถริดรอนความเลงนี้ได้ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยืนี่ข้อที่เราจะต้องอยู่กับเขาให้ได้และข้อการปฏิบัติไม่งั้นนะบางคนมึงหลงเลงหลงเลง่งั้ยปฏิบัติเป็นนักบุญที่หลงเลงเข้าใจเปล่านักภาวนาที่หลงเลง นักภาวนาที่พอเริ่มต้นภาวนาตัวเองก็เริ่มมีอรนะสติมีสมาธิมีสภาพใจที่ปลดปรงปล่อยวางได้บ้างก็ทำให้เกิดความคิดโปรง่งทาการทำงานสเสถียรคือรอบคอบขึ้นเริ่มมีเงินขึ้นแล้วก็ซื้อรถซื้อบ้านซื้อน้นซื้อนี่พอแล้วก็ไปหลงเลยทีนี้ พวกภาวนานี่หลงเลงโอ้ยอย่างนี้เราขาดภาวนาไม่ได้เว้ยเราจะต้องไอหลวงพ่อก็จัดที่ไหนต้องไปไปไปเสร็จเนี่ยแต่ก่อนเราไม่มีรถไม่มีบ้านนี่พอเราไปอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยสี่ห้าข้าวมาสีหครั้งเนี่ยโอ้ยเริ่มมีรถเริ่มมีบ้านก็ต้องโทรมาหาอาการทําอีกเฮ้หลวงพ่อก็จัดวันไหนอีกอะแต่ตไม่ได้นะคุณต้องบอกนะต้องบอกนะ<ม>ไอนี่พวกนี้พวกภาวนาหลงเลงยิ่งภาวนาเร็งยิ่งเยอะ เพราะฉะนั้นยอดของธรรมสี่ประการหนึ่งอยู่ด้วยความไม่เล็งหรือริดรอนความเล็งของตัวออกไปสองอยู่ด้วยใจที่ไม่พยาบาทพร้อมที่จะอภัยอยู่ตลอดเวลาสต้องมีสติฝึกฝนจะเริญนสติบ่อยๆส อยู่ด้วยใจที่เป็นกลางอยู่ด้วยใจเป็นกลางง่ายๆหาที่พักให้กับใจหาที่พักกับใจให้ใจมีเครื่องอยู่ในภายในให้ได้เป็นของใจเองเพราะว่าถ้าไม่ฝึกฝนให้ใจอยู่กับเครื่องอยู่ที่เป็นภายในให้เป็นของใจเองใจก็จะไปไหน มันก็จะเป็นเล็งไปพยาบาทนั่นแหละเข้าใจป่มันก็จะเป็นเล็งอย่าไปพยาบาทเพราะอะไรเพราะการมโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชายโยคะโอคะเครื่องผูกทั้งสีข้อนั้นแะมันมีอะไรมันมีให้เราปรารถนาเพลิดเพลินหลงไหลหมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่ชอบอยู่ในสิ่งที่เป็นเพราะนั้นโอกาสที่ใจเราจะไปเล็งจะเพิ่มความเล็งและจะไปขัดใจก่อเครื่องของพยาบาท เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะนั้นให้ใจอยู่ภายในอัจชัดตังสุสมาหิโตให้ใจตั้งมั่นอยู่ภายในคือเป็นกลางไม่ว่อ น, นอยู่กับความเ็งทั้งหลายนยพระพิจาราจึงกล้าจัดรับรองการันตีไว้อีกประโยคหนึ่งว่ายักทากามะนิปาทินังธรรมชาติของใจมันจะไหลไปสู่สิ่งที่มันชอบเสมอเพราะมันถูกผูกไว้ทั้ง4ประการเนี่ย อนัำว่าภาคเช้ า, า, า, าอ่าอย่างกรณีนะเราเรงนะเงเราอยากจะไปช่วยกิจที่วัดไปอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกคนเงเไไปช่วยกิจที่วัดพระพุทธเจ้าเรียกเลงนี่เป็นอากุศล ไ, ไปช่วยกิจที่วัดเนี่ยเราก็พิจารณาเอานะแต่เราไปแล้วที่บ้านเดือดร้อนก็ไม่สมควรมไม่สมควร ไปแล้วที่บ้านระร้อนมันสร้างปัญหาไ้ตัวเองใช่ปะ่ะเราก็ทำที่บ้านก็ได้ยามที่ไปได้ก็ควรไปยามที่ไปได้ก็ควรไปยามที่ไปไม่ได้ก็ไม่ควรไปยามควรก็ควรยามไม่ควรก็ไม่ควรเนี่ยเรามีปัญญาเราไม่ใช่งโง่เนี่ใช่ไมเออทำบุญก็เหมือนกันทำด้วยปัญญาทำได้ก็ทำ แต่เมื่อใดที่ควรจะทำก็ต้องควรทำนีไ่ได้มีห้าสิบจะทำร้อยต้องไปยืมเพื่อนไปอีกห้าิบาทอย่างนี้อย่างนี้งเอาตอนนี้ให้พักสี่ห้านาทีไปยมใครจะไปยกน้ำอาะจะมานั่งพูดไปเรืเดี๋ยวกลับมาเราจะมานั่งภาวนากัน